ก่อนามมเป็นเพเาไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้วันนี้มันเป็นเนี่ยนี่เรับจึงพระ เ, เจ้าจริงเป็นธรรมเป็นศาสนาองค์เอกองค์อัศจรรย์จริงๆไม่มีใครรู้พระองค์รู้คนเดียวไม่มีใครสอนอีรู้แล้วมาประกาศสอนโลกให้ได้เห็นภัยแล้วสลัดตัวให้พ้นจาก กุฏิบังคับในวัตตาสงสารนี้ออกไปได้จังมากมายพระเจ้ามาตัดสรูแต่และพระองค์ไม่ใช่ใ น, น้อยหนะหรือผลสัตว์ออกจากโลกนี้ไม่น้อยหนะักแต่และพระองค์พระองค์ส่วนพระบาจีบพระวิจ้าก็เกิดในไม่มีศาสนาก็ก็ต้องก็แท่งเขเกิดได้อันนี้แต่ท่านไม่สอนไข่เกิดเงี ย, งยบๆรู้เงี ย, งยบๆของท่านแล้วก็ไปเงียบๆอ๋อเขาบาจีบเขาบาจีบ ในเวลาว่างกับาสนาไม่มีศาสนาที่เปิดทั้นั้งท่านเช่นพิจารณาธรรมธรชาติคือเขาสอนมันหากเป็นในจิตเองมองอะไรๆไปมันเป็นสัจธรรมเพราะเรื่องทมแท้นั้นเป็นหลักความจริงมีอยู่ทั่วไปมากเมื่อเห็นนี่เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้ไม่มีประมาณเราจะมาเอาคำพีบาลานมากลางมากัน้น มือนมากัน้นน้ำมหาสมุทรมันเนี่ยจะกั้นอยู่มัมไอ้คมพีร์ไบาลานมันเท่าฝั่งมือไอ้ความจำที่มาจดไว้ในคัมภี์บาลานไอ้ความจริงมันรอบโลกธาตุเต็มหมดจิตนั้นเป็นของละเอียดมากอะไรเกินจิตวะ่ะนั้นรูปเป็นซอกแซกซิกแซกรูปอะไรหมดทั้งกายทั้งกจเพียงคำพีไบาลานจะมาเมียอหน้าจจีบขว า, างได้ยงไงจีบขวางความจริงเพราะคำพีบาลานเป็นความจำจำมาได้เท่านี้เขียนได้เท่านี้นะ ความยิงทะลุไปหมดเห็นไหนไหนมันไปไปหมดนูด่นไปหมดระวังหน่อยเห็นไม่เห็นได้ยินไม่ได้ยิงก็ตามขีด ท, ที่พุ่งพุ่งพุ่งสุงมันจะมีแต่กิเลสเท่าทนาั้นเองปิดบังเอาไว้ไม่ให้กระดุกระดิกได้เหมือนกับให้หลับตาไว้หลับตาแล้วยังไงแล้วผ้ามัดตาเขาอีกมันจะเห็นยังไง ร, ร้อยดวงมันก็เป็นเหมือนกันหมดสิให้หลับตาไว้แล้วยังไม่แล้วเอาอะไรมัดเขาอีกนี่มีกี่ร้อยดวงก็เอามาแบบทําแบบเดียวกันหมดนั่น แล้วดวงไหนมันจะวิเศษไปเห็นอะไรเมื่อมันถูกมัดไว้อย่างนั้นทั้งหลับตาด้วยและทั้งถูกปิดมัดไว้เลยนจะตาไหนจะวิเศษวิโสกปดูพอมันเปิดนั้นออกดูสินั่นที่นี่็ ค, ครืองยเลียมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นก็พังมันลงไปแล้วความจริงยูนไหนไมันเห็นหมดเลย เมืเจ้าคดีสาวโบกุลท่านเห็นหนึ่งมันท่านจึงในอาจท่านจึงอาจหา น, นี่พูดแล้วท่านอาจหานเพราะท่านเห็นนี่ท่านรู้นี่ไม่ไม่ได้พูดแบบด้วนดาวเกาหมาัดจะ อ, อะไรมามาสะทกสะทานใครไม่เชื่อท่านก็ไม่สะทกสะทานไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของท่านท่านเห็นนี่จะว่างไงท่านรู้เหมือนอย่างเราเห็น น, น, นี่ใครไม่เห็นก็ตามที่ก็เห็นอยู่นี่นั่น ข้ายวทิเศตรว่าอันนี้ไม่มีก็ตามก็เราเห็นอยู่นี่หนีนี่มันบกพร่งไปไหนมันขาดไปไหนเราผู้เห็นนี่มันไม่ได้ขาดมันบกพร่องเขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาต่างหากเราไม่ได้เสียนี่นั่นนะท่านจึงจะต้ไม่จะต้องท้าการสอนโลกพระท่านสอนด้วยความจริงด้วยความรู้จริงๆเข็นจริงจริงทุกถิ่นทุกอย่างท่านติดอยู่กับมือนี่เปิดออกนี่หนะแ น, ะนะ่ไม่ใช่แบมือเปล่านี่มีน่ะนี่น่ะนี่น่ะอยู่งั้น เราเพียงความรูแ้แค่หางอื่ น, นี่มันก็ยังมีอาหารได้นะที่ว่าไงมันเป็นจริงหนึ่งหัวใจนี่เออมันจะต้องสะท่านไข่ว่้ในโลกันนี้นู่พูดจริงๆนะไม่มีคําว่ากลัวอะไรแล้วไม่มีคําว่ากล้าอะไรด้วยนะนั่นไม่มีคำว่าไม่กลัวแล้วไม่กล้าด้วยอแต่เวลาถึงเวลาที่จะพูดแล้วก็พังเลยเอ า, เ, อ า, เ, อาเป็นป็นจักษ์ความจริงนี เมือเราเดินไปตามถนนนี่สตุสตัทฐานไปไหนคือที alien, here, Now, Next, like windows, ่เด you know. ินมีอยู่นี่ทางมีอยู่นี่เดินไปนี่มันเป็นอะไรเนี่ยทำไมจะเดินไม่ได้นะ่แล้วสิ่งที่เห็นกับตามีอยู่แล้วเห็นดูอยู่นั่นสทุสตัทฐานไปไหนสิ่งที่จะดูก็คือตานั้นมันดีอยู่แล้วนี่สิ่งที่รับตาก็เห็นอยู่นั่นน่ะมีอยู่นั่นนหูจะหมู่ก็เหมือนกันมันดีทุกอย่างรับทุกอย่างเห็นจะชัดนี่มันสทุสตัทฐานอะไรว่ากลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้ยินอะไรก็มันเห็นอยู่นี่โดยตาได้ยินอยู่นี่โดยหูรู้อยู่ อันนี้เอาคง น, นี้เอาคงใจนี่มันรู้ตรงนี้เหนอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์ดีมีใครรู้เลยพระองค์ทรงรู้คนเดียวทั้งตั้งดิบทรงปฏิทนาเป็นปรัสดาสอนโลกมาอย่างนี้ กับให้ท่อปราไทายน้ำประเน็ไหลเท่อประไทายเงนฟังซิที่สั่งสอนจัลโลกเพราะเป็นสิ่งที่ขนาดนั้นอ่ะฟังกันเถอะโอ้ทำไมเขาจะรู้ได้อทำไมที่รู้ได้ใครๆจะรู้ได้ไงนี่โอ้โหโอ้โห อ, อยู่างั้นอาศาัศจรรย์นะใครจะรู้ได้เห็นได้พูดเขาฟังเขาก็จะหาว่าบ้าบอะไลยัมเนอร์คนหนึ่งก็คลายนะ่ย นังสือสอนหนังสือให้ไฟมันจะไปรูปเร้เรื่องอะไรไฟนอกจากย่าเท่านั้นไอ้มันนั่นเที่ยวไปแล้วก็อย่างนั้นเองไปสอนนังแต่งหนังสือให้มันเอาเพนินจินดาให้ไฟมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันอกจากย่าแนะี่นี่แหละที่จะิตทําให้พระองค์ทอบประทศไทยพี่ละเอียดถึงขนาดนั้นล่ะว่างั้นเถอะพระองค์เองที่รู้แล้วยังเห็นเป็นอัศจรรย์เจ้าในพระองค์เองเองีก มัน จ, จะไปสอนขายขนาดขนาดนี้ขนาดนี้จะไปสอนไขาจะไปสอนขายหนึ่งท่อประไทยมองไม่อยากพูดกับใต้สอนไขายาเป็นอย่างนัน้นย้อนมาถึงเรื่องปฏิปทาเพิ่มหนึ่งหนึงเอรียบ ก, กันอนะ่นี่เรารู้ได้ยังไงเนี่ยราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกเขานี่แล้วทำไมาเราถึงรู้ได้เรารู้ได้ด้วยอะไร ม้องไปหนีปฏิปทาได้ยังไงก็รู้ได้ไอย่างนั้นพ่อเห็นนั้นเห็นนั้นนานบักปฏิวทาขึ้่อนำหนึ well people. People. ่นอ้ี่มันระวังในวิญญาณประจบมากเลยระวังไอนี่ตัวประจบนี่ประจบเก่งไปว่าข่มมาไปเลยมันก็สับไปหนึ่งมันสับเตีสับตาสับทั้งหลาย เปสัปตานมองหมาหลายตัวได้ขนาดนี้หน่ธรรมชาตินั่นทําให้ท่าประเทศไทยจนกรทั้งนี้ย้อนถึงปฏิวัติานี่ถึงเหมือนกับว่าเรายกเราเป็นตัวการขึ้นมาเลยถ้าเป็นเหตเอาเราขึ้นมาเป็นเห็นเลยถ้า เ, าเป็นของที่สุวิสัยของโลก ต้องหลายจะรู้ได้คนเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมต้องรู้ได้ล่ะนั่นรู้เพราะอะไรล่ะก็ ร, ะรู้เพราะอันนั้นนั่นเนี่ยคือวปฏิวปทาต้นนี้มาก็เอานี่ไปสอนโลกทำไมเขาจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่น อ, าาอ๋อพอนั่นพอใจถูกต้องแล้วอัน The way way er นี้ตะเวนเมติกเวียนตาเวียนเซตตาบานเห็นไหมล่ะทเทศเป็นชาวบัคีทำไมาจับ ก, กับวา่าถื นั่นทางโค้นั้นทางโค้งนั้นอัตตกิลงฐานโยโจะทํามันลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์การมีคาวนานิยโยก็อนอนแช่ในกามไม่ใช่เป็นของดีนานอัตตกิลมฐานนิยโยนอนบนขวักบนหนามนี่ัง้งครั้งทุกการมีนี่คือครั้งนั้นนพวกพระเจ้ารัติต่างๆมีเยอะทําความลําบากลาบนจะตนถึงเป็นถึงตายเลยไม่ใช่เล่นๆนะนั่นหลักนันอัตตกิลมฐานโยโให้หยุด ทำ ต, ตนลำบากให้รู้เปล่าเช่นนอนบนขวากบนน้ำย่างตนเหมือนอย่างปูอย่างปลาทั้งที่ยังไม่ตายนี่เปล่าแต่ไม่สนใจภาวนาตรงที่มันจะถูกป้าดเาหมดท่านถึงมัจฉิมาปฏิบาทาิขึ้นเลยสามาทิสามาสัางโปุสัมมาจาสรสัมมาตุสังฆสัมมาสามาธินี่คือมัจฉิมาปฏิบาทาิ วัติอาภิสัมบุทาเรารู้ยิ่ง ส, สาจจะเองเรู้ยิ่งตรงนี้แ่ะว่าง่ายจะครุกรณียากรณีอุปสมัยาณญาณสัมบูทายานิบาตจะสร้างวัตถิเป็นไปเพื่อความรู้ความแกงความฉลาดเรื่อยๆยัง เ, เป็นไปเพื่อ น, นิผ่านอา่นมันว่าไปมีทิมามนองเป็นไปเพื่ออย่างนี้เองมาทิมาไม่ได้เพื่อความวงมงายไม่เพื่อความทุกข์ความลำบากาเปล่า เป็นไปเพื่อตอบทอนกิเลสอย่างจากนั้นท่านก็ยกเห็นไหมละ่ะที่ในอนันรรันว่าอะไรวัตถุ ป, ปเชโดนท่านพะโยวิราโคโนิโรโทรนิพานังที่เป็นไวายพลดของปณิพานคือใช้แทนกันได้เว่าไกับวายพลดทำยังความเมาให้ส่างอะไรอะท่า น, นพะโยความสินตัญหาเนี่ย นี่คือความนี่คือพือพนิพัทธ์คุง่ายว่างั่นแหละคือความิ้นตัณหาพนิพัทหมดความอยากโดยประการทั้งปวงไม่ว่าส่วนหยาบส่วนการส่วนเอียดหมดไม่มีเหลือในใจเลยเป็นพนิพานพ์พนิพัทนไม่ไม่ไม่อยากคิดพระอรหันต์ท่านไม่อยากมันรูงท่านมีท่านถึงนินสามารถเอามาพูดได้ท่านรู้แล้วท่านถึงพูดไม่ได้พูดเบาเล่นๆดาๆการหักขยู ความชนตวิราโคความสิ้นกำนังคือความยินดีนิดนึงก็ไม่มีมนิโรธโทดับสนิทฟังสินิพานังไม่มีอะไรเจียดแทงแล้วแล่นเวาๆนี่ออกมาจากมากัชชิมาเ น, นี่ยท่านสอนนลรันดว่าท่านว่าเอาแน่ใจละที่นิว่า เมื่อนยกพระองค์เป็นตัวปัญหาขึ้นมาแล้วมันวิจิตรไชเจของเป็นยังไงถึงรู้ได้เห็นได้นี่เพราะนั้นนั่นอัละใช่ได้เนี่ยเอานี่ยสอนโลกยิ่งได้ประกาศธรรมสอนโลกโดยมัชฌิมาปฏิปทานี้ก็พระอญาตคนอนุญาตขึ้นเลยสวายังกีสมัยธรรมสอรตั้งอยู่ธรรมบงสิญญาก็ตามที่เกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่เอาแปลมันถึงใจนะแต่ในพระญาตท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องดับเป็นธรรมดามันไม่ได้ถึงใจ เพราะเป็นความต่จำไม่ได้เป็นความจริงที่ใจนั้นดวงนั้นรู้ถ้าใจดวนั้นรู้ขึ้นมาแล้วอุทานมาด้วยความรู้ที่จะไม่พูดอย่างนี้เลยมันต่างกันนะเออถ้าจิตได้รู้ขึ้นแล้วอุทานขึ้นมากับเราจำมาความอุทานมันมาพูดน้ําหนักมันไม่ได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นยังกิ่สมุนไพรธรรม บ, บัณฑ์ตานิโรธธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยิ่งับเป็นธรรมดาเทียงเท่านี้ไม่ได้ถึงใหญ่ส่วนพระยยรัญกฤะจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วถึงใจผึ่งเลยเดียว ก็จะอยพูดว่าอย่างนี้แล้อะไรก็ตามนี่เกิดขึ้นดับทั้งนั้น嘛ไม่เป็นสิ่งที่จะไม่ใจได้เลยนั่นก็คือกิจมันเด็ดทังมันแล้วนี่สลัดปุ๊บมีตะจีออกแค่เดียวอะไรก็ตามในโลกนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าเย่อใยไม่ได้ไม่มีอะไรน่าเยื่อใยเลยหลงมันอะไรพูดอย่างนี้มาว่ามันยังไม่ได้ว่าพันัญญาคนนั้น อัญญาที่กวัตบุคนิย้าอัญญานอ้หนอูหนออัญญาที่วัตบุคกลนิยมใมักกะปวัตจุแปได้หมดแล้วนยกหิบยกมาแปลตรนั้นแความจริงก็แปได้หมดเลยมักกะปวัตนเอาหาเอาที่ซําจเป็นจำเป็นที่มาสัมผัดกับทำ คือเวลพูดยกออกมาที่เป็นจึกสําคัญสาคัญธารมจากกับปปาราสุดพูดถึงหนึ่งอริยสัจแสดงอริยสัจนี่แหละอริยสัจอยู่ในธรรมาจากักรกับว่าสุตชัดเจนคือบอกอย่างชัดเจนได้เลยอันนี่นอกจากนั้นก็เป็นธรรมดาคือบอกโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติไม่ได้ระบุว่าอันนี้เป็นทุกข์นะอันนั้นเป็นเมุธัยอันนั้นเป็นอะไอนันเป็นมรรคนะก็ 79. อย่างที่เทศให้ฟังทุกวันนี้เหมือนกัน ผมเทศหูเพื่อนฟังเลื่อนมานีผมไม่ได้บอกว่าอาิทศธิศัตรูนะผมก็ไม่ได้ว่าอแต่เวนาว่าไปมันมีแต่อิทธิศัตรูนั้นมันไม่ใช่อะไรไมีแต่เรื่องของอิทธศัตรูทั้งมวลทั้งทุกข์ทั้งจมูกไทยทั้งมากทั้งนิโรธอยู่ด้วยกันหมดยกออกมาพูดอยู่ในสนามโลกคือกาย ก, กับใจนีเป็นที่สถิตของอิทธศัตรูว่าไปมันก็ตั้งถึงอาวิชารวมตัวก็จะไปว่าอะไร จะจะให้บอกว่านี่คืออวิชญาปญาสร้างคาราสร้างคาราปยาวิญญาณังหนะจะว่าอะไรไม่ว่าก็ได้นี่เอรวมตัวก็ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปจนกระทั่งมันมีที่อยู่แล้วมันเหมอกเข้าไปไล่เข้าไปมันเห็นชัดชัดหัวใจนี่วะจะว่าไงมันเห็นอะไรก็พูดได้อย่างนั้นสิไม่ใช่มาเดาพูดนะผมเวลามันไม่รู้มันมันพูดไม่ได้นี่เวลามันรู้แล้ปิดได้ไงมันพูดได้นี่เรียว่าข้าจะว่ะอวดกระตามไม่ได้อวดนี่เราพูดจริงๆนี่ นึกก่อนเวลาเรายังไม่รู้เมาุมไม่ได้เวลานี้รู้แล้วเราพูดได้นี่ว่าไงพูดอย่างนี้ใครจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะอืม응เราก็ไม่เคยจะรท้ทันกับคําที่คนว่าบา้าขอให้เราอย่าเป็นบ้าเดื๋ยวนี้เราไม่ได้พูดด้ยวยความเป็นบ้าอะไรนี่แะเราพูดด้วยความรู้จริงในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าสงสอนไว้ว่ า, วาจริงอย่างนี้นั่นแล้วมันเปิดมันเปิดจริงจิงไเห็นนี่มันปิดปากได้เหรือมันจะเด็กมันพูดได้หรอมันลงได้เห็นเหรอ อันนี้ผู้ใหญ่ทั้งคนมันจะพูดไม่ได้ก็สิ่งที่สอนไว้สอนเพื่อให้รู้ได้พูดได้ทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นใบหนีิว่าการที่พูดถึง น, นุ่มเทวดาตั้งไหนฟังบอกกันไปด้วยมีอัศจรรย์กันนะก็ะเทืนโลกทาต น, นี่จึงทําให้คิดในอันหนึ่งนะเทวดาว น, นเหมือนคอย อันนั้นจิตของพระหลานทั้งหลายเพราะจิตดวงนั้นเป็นจิตที่พวกเทวดาทั้งหลายรู่นีแล้วเคารพบูชาด้วยนะงั้นก็เทวดาจะคอยบอกข่าวบอกเรื่องอะไรอย่างพระอาจารี์อุบุตว่าอะไรที่เป็นโรคอะไรนี่เทวดาปเป็นสกิตใจเขามันมีในตำรานีินะบอกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วจิตลายขึ้นมานเรื่องนั้นเป็นมาเป็นมาเหมือนกระสีนั่นจะ เทวดาจะเป็นดุลดาใจเขาให้เป็นให้ให้มีความอยากทาอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นเรืบบ่องแปลกๆอยู่พระเจ้าท่านท่านสอนถึงเรื่องท่านพูดไปถึงเรื่องพง ร, องรมยุบหกชั้นนั่นตั้งแต่สวรรค์ดาตุมราจิกาเดวาสัสดมซาเมซุ่นสัดมซาเมสุสส่เลื่อยไปจนกรทั่งคมกาจตตลอดไปเลยคือพอพวก ปุมเทวดารุ่นแล้วก็ส่งข่าวให้พวกนั้นพวกนั้นถ้าก็ส่งข่าววนั้นส่งข่าวไปเทพวดาท่านนั้นท่านนั้นเทพวดาท่านนั้นทราบแล้วส่งข่าวไปดยลำดับหนาทำาแปลเวลาเปลก็เป็นอย่างนั้นต่นั้นท่านไปพูดถึงว่าเตนหเตนะว่าส่งไอ้เรื่องราขึ้นไปเนี่ยเียคู่เดียวมักท้านวันไปเลยนะอะไรสังัมปิสัมกัมปิสัมเวทิทำลตอมีน่าฟังมาก เราะโอล่ะโอลาเจโอปัสโออ๋งโอปัโอโอเคปาตุหูสิเขาบอกว่มันก็จับไม่ได้มันก็ลงไปแล้วผมพอดีมีคำว่าคู่เดียวคู่เดียวแสดงในระยะคู่เดียวมีคำเคลดอริยสัจ อริยฐานทีท่ีว่าตรนี้ก็ว่าไปไปเรียบเรียบๆนะอริษฐานของผู้ปฏิบัตินี่ไปอีกแบบนึ่งเฮ้ยนี่เหมือนกันนะแต่เวลาเสร็จแล้วก็ก็มาเหมือนกันนี่เนี่ยเวลาคุยเกี่ยวกุดค้นมันจะไม่เป็นไปอย่างว่าอย่างพิธานวานี้คือมันเป็นวิธีการอะไหนึ่งวิธีคุยเกี่ยวกุดค้นใครมีแง่หนักเบาของสติปัญญาขนาดไหนก็จะไปเต็มภูมิเจ้าของถ้าเสร็จแล้วก็มาเรียบเรียบเหมือนกันไปเรียบเรียบ เพราะออกแบบเป็นฉบับก็ต้องเป็นเดเรียบไปในอะไรอรี่ตามริ ย, ายาสุมันเรื่องวิปัสสนาเนี่ยวิโมกขวิปัสสนาอันอนัตตานาคณนาสุก็มันเป็นเรเรื่องปัญญาแสดงว่ามันมีจังทุกของนัตาเนี่ยันเรื่องอันในอนัตตะกานาสุ ในอริยปยสูรตรท่านแสดงถึ็เงืงไ่ไฟไฟก็คือกองทุกข์มาแน่้น ไ, นไปอันนี้ท่านแสดงละเอียดมากทีเดียวในอริยปยาสูตรแสดงถึงเหตุถึงผลถึงพลถึงขิงถึงรากถึงโคนจริงๆรถอนก็นถอนรากสอนโคนจริคือใจลงถึงหัวใจเลยเช่นมานัตมิ่งปีนิบินติเนี่ยทำเมชุปีนิบินติเนี่ยคือเบื่อหนายในธรรมนั้นยังเบื่อหน่ายในธรมรมารม ทำเมสุขีนิบินาปีนบินาตีนคือเบื่อหน่ายนทำมาลแล้วกับความสัมผัสสัมพันธ์ตลอดถึงเป็นเวทนาจุกทุกข์เฉยๆอะขึ้นมาเนี่กเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายหรืวฟ้องก่อนเนี่ยถึงถึงเรียกว่าถึงที่สุดจริงๆผมผมรู้สึกว่าผมหายสงสัยผมไม่มีแง่ไม่มีแง่สงสัเหมือนอนัตตาสุดต้งแต่รูป เสียงตื่นด้วยเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์เข้าเข้ามาเลยอยู่ตาหูจมูกดิ้งกายกจิตเนี่ยมันเป็นคู่เป็นคู่กันรูปกับตาหน่นจั ก, กุชินีจิตวิีติรูปเบื่อชุบิวิบีิเนี่ยเป็นกลาเป็นบูกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจิตจีตก็เข้าถึงขั้นมาาทนิจิตวิีติทำเมยชุบิวิีติแ น, นรับกันเบื่อหน่ายในจิตนั่นฟังแล้วเบื่อหน่ายนอารมณ์ที่เกิดขึ้นจา ก, กจิต น, นั่นจะเป็นสูบเป็นทุกข์เป็นเหตนาที่สัมผัสสัมพันธ์นมันปรากฏขึ้นมาเขาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าติดว่ารักว่าชอบมีแต่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็รู้หรอกเพระพอเส็จแล้วทั้งหตัดนิ่งปีนีบินติๆๆๆๆอยู่คือรวมยอดมาเลยมาหาตัดนิ่งเอกถ้ า, าภาษาพูดถึภาษาสับบาลีก็เรียกว่าเป็นสับพนาม สาิติที่านเดียวรวบเอามาหมดเลยในมาในสัพน์นั้นมีติคือทั้งหมดนี้วางเงนตัวมาว่าเบื่อหนายทั้งหมดไปเลยเมื่อเบ่หนายนี่บินทางเวลาจติวลากายมอจิตมีตัวนี้มีมมือตันมือมือจะมีติงานห้าตินัก็ไปแด้ไปแบบเดียวกันละติอเบื่อหนายยาม่ากัคากหนดไม่แบบโลกโลกนี่หนาแต่ประเดนมันไม่มีสัพที่จะไปไปอื่นไม่มีสัพที่จะ จะไปเรียกว่ายังไงได้อกีกคําพูดให้เหมาะสมมันไม่มีมากอย่างภาษาไทยเรานี่มันมากนะภาษาไทยเราเนี่กินเอาขึ้นมาต้องจะสแตกนะก็แทนไสแตกยัดเลกินอืแล้วฉันเสวย ร, รับทานอะไรนู่นอ่ะฟังดิลายเหมือนทีเอาอะไรมาใช้กับเหมาะให้ให้เหมาะกับอะไรเอารับทานก็เหมาะเี่ยตามขั้นภูมิอของผู้ผู้เป็นตัวตัวประธาน ถ้าเป็นกษัตริย์ก็เสวยเนี่ยถ้าเพระประชันถ้าเป็นพระชั้นถูลงไปก็อย ส, งสงางเป็นชล่างก็เสวยอันนี้อันนี้ที่ว่า น, นี้บินนาิีนี่บินนาฏีนี่มันก็อย่างนั้นแหละนี่บินนาฏีย่อมฉั้นนี่บินนาฏีย่อมเสวยนี่บินนาฏย่อ <c> ม <oughs> อันนั้นไปอย่างนั้นนะว่าย่อมท้แตกครับมันปแปลว่าอะไรนะจักระทั่งถึงย่อมเสวยถึงขั้นละเอียดมากสุดนี้นี่แหละนี่บินตาฏีนี่ ขั้นสวรรคงหมายถึงว่าเป็นความเบื่ออย่างนั้นแ่ะเบื่อหน่ายความกำนังคำกำนังไม่ใช่กำลังคือยินดีอ้อยอยิงกันาดไหนละเอยียะขนาดไหนก็ตา ม, มันไม่มีศัพท์อื่นที่จะมามาพูดให้เหมาะสมได้ก็ว่าอันนี้แหละเพราะธรรมชาตินั่นมันเปลี่ยนไปได้แต่ําพูดที่จะเปลี่ยนไปตามมันพูดไม่ได้ตั้งไม่ได้จะ ต, ตั้งชื่อก็เลยเอาแบบเก่า แต่นี่มิตมิติญานังโหติที่ตั้งประมาทเรียงก็ตั้งกันเรียงน่าพรังอิตายติปชานะติเหฟังโหน่าฟังอันตรกนสูตรนี่ถ้าเต็นก็ก็เป็นเถอถ้าไม่พูดเป็นเสียงเดียวกันเราเรายันว่าอย่างนี้เลยถ้ า, หารหัสอะไรจะมาดูเพียงขันหน้ากันเป็นพระหรหัสได้ยังไงนั่นว่างนีเลย ผู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันิีจารย์สนาตาอยู่แค่แคนี้ฟัเสร็จานั้นแล้วก็นิบิรังวิานาศจตีไปเลยนี่ไม่ได้เข้าถึงจิตนี่มีเพียงขันเท่านั้นตัววิชายอยู่กับจิดมันไม่เห็นเข้ไปแตกกันเลยอะไรนั้นมาได้งไงนะ uh huh. ว่างั้น น, นะเราโง่หลวงตัพมันเป็นในหัวใจเมื่อเวลาพิจารณามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันิีจารย์สนาตารุนฟัดลงลงถึงจิด หัวใจเอาหัวใจเลยเป็นสนามอนจารย์สุกขังนัตตาอันเรานั่นก็เอาเป็นที่แรกก็เป็นแล้วก่อนอาจารย์สุขังน้าตามาพอเข้าถึงท่านจุดมันจะเอาจะเคี่ยวทัานจิตพูดง่ายๆ่าเคี่ยวที่เกินท่านจิตมันมันมีนี่ถ้าไม่เสร็จนี้ไม่เอานี้มันไม่แล้วเนี่ยอันะไรนะก็เคี่ยวก็คืินมาเบี่ยงหนับลื้อปล่อยมาโนหตอนอันนี้อะไรเนี่ยมันเห็นที่ขวางตาอยู่นี่มันขวางอยู่นี่จังหงี่ยจะทําอะไรนี่ นี่กระดูกมัน อ, อยู่นี่ก้างมัน อ, อยู่นี่น่ะน ใ, นในเนื้อเนี่ยในชิ้นเนื้อนี่นะว่าไงกินไื้หมดเลยอ่ยกินทั้งกระดูก้างก้างกันเลยอัยนใต้ะนะกระดูกข้าวคอตอบ่อนออกสิ